อาบุบิลเลมินะชัยฟานอัลรจีมวะเลห์นชาอุดละมาซักหนาบุม لون شاول ما سخنهم على مكانتهم، فمستضعون يمو ل ا ي و ن ف م س ت ض ع و ي و ا ولا يرجعون. อิَห์ฟิล وَ ักอาฟลัย่อปิลูาระมะอัลบ قال قول. حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ع م ا ل ن ا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م ح م د عبده ورسوله الل م م الله م بك m ص bika a s b س h n a ن a bika a ك z و i n a wa b و k a n ك h i y a wa b عوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الس ال ا ل س ي م ي العليم رضيء بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد رسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ع ا ف ن ي في ب د ن ي و ا ف ن ي في سمي و ا ف ن ي في بصر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزن ة ع ر ش ه ومداد كلماته ยา حيو ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأن كله ولا تكلني إلى نفس طرف تعين حسب حسب ا ل ل ه ونعم الوكيل حسب يالله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รักทลายคบี่นองวมนมัาย์์นยนน์น์ และพี่น้องที่ติดตามรายการนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับลฮัมดูลีละดูความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลเนะครับเราต้องขอบคุณอัลลอนะขอบคุณอัลลอที่อัลลอให้เราเกิดมาอยู่ในศาสนาของอัลลออันเป็นศาสนาที่ที่อัลลอกล่าวใ น, นคัมภีร์กุรอานนะครับเป็นศาสนาที่อัลลอฮทรงพอใจและ AH อัลลอจะเลือก ให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ท่านได้ประทานอัลกุรอานลงมาในวันที่ท่านมัลลีทำมัลยีครั้งสุดท้ายอัลยวมาอะคมตุละกุมดีนักุมว่ัมตุอเลิกุมนิามติวรรดีตุละกุมอิสลามดีนเนี่ยไอนี้บอกว่าวันนี้ศาสนาอิสลามเนี่ยครบบริบูรณ์แล้ว อ๋อนี่พิ่มใจนะอลยุมาวันนี้อิสลามครบบริบูรณ์แล้วแล้วก็ฉันเนี่ยพอใจที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นทางนำสำหรับชีวิตว่ารดีตุฉทั้งก็พอใจอีกคนที่เอาอิสลามมาดำเนินชีวิตเนี่ยเขาได้รับความสำเร็จในชีวิตดุนยาและอาคีรและอัลัมบันซักด้วย ท่านก็พูดต่อไปอีกอัลลอฮฺได้กล่าวตอไปอีกว่าว่ า, า, ย, ายุทธิรวัวลัดดีนิุลีศา ส, สนาอิสลามเนี่ยจะจะเหนือจะชนะลัทธิประเพณีคาสอนทั้งหมดที่อยู่บนโลกดุจยาไปนี้ยุทธิรัวลัดดีนศาสนาทั้งหมดกุลทุกศาสนาที่อยู่บนโลกดจุจยาไปนี้ก็อิสลามเนี่ยจะจะเหนือกว่า ว่าเราการิฮัลกาฟิรุนถึงแม้ว่าคนกาเฟตจะชิงชังอิสลามมากแค่ไหนก็ตามแต่พูดสามคำนะว่าเราการิฮัลกาฟิรุนว่าเราการิฮัลมุนาฟิกูนวา่าาการิฮัลมุชลิกูนคนปฏิเสธคนมุนาฟิกคนมุชริกรวมกันแล้วนะจะแอนตี้อิสลามจะไม่พอใจอิสลามแค่ไหนก็ เชิญตามสบายแต่อัลลอฮจะให้อิสลามของพระองค์เนี่ยนำโดยท่านนบีมฮัมหมัดและกุรอ่านเนี่ยเป็นทางนำสำหรับชีวิตและปลอดภัยทุกคนสำหรับคนที่ยอมจำนวนตนต่ออัลลอฮโดยสิ้นเชิญเัาห้มดัวิล้ขอบคุณอัลลอฮฺพี่น้องครับพี่เรามาทบทวนกุรอ่านมาถึงสุรยาสี <c oughs> บทที่ สาพระครอารมีหนึ่งสิบสี่ศูนร้อหนึ่งสบสี่บทเพิ่งมาถึงศูนรอยสามสิบหก็ขอทุกอาร์ต่อให้สอนจนกว่าจะอินนาลินแล้วพมาวานในภูเก็ตน้ำมาจะนาตาอายุเท่าวงก็รออย่างให้เมตตาอยู่นะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยต้องอยู่กับาศาสนาของอัลลอฮ์เท่านั้นทุกคนนะทุกคนเลยชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย ต้องอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เอาเอาดุนยากับอาคิร้อยเนี่เอาอะไรนำหน้าเอาอาคิร้อยนำหน้าคนที่เอาดุนยานำหน้าเนี่ชะก้นในภาษาฮะดิษพบกับความหายนะแน่นอนครับเรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆนนะคนที่เอาดุนยานำหน้านี่นะครับ ชาโกคุณเขาพบกับความหายนณะคนที่ด่าคนก็เหมือนกันคนที่ร้อเลมคนเนี่ยบั้นปลายชีวิตไม่มีใครจเจริญสักคนหนึ่งนะฉะนั้นคนที่ถูกดา่าคนถูกมัสลูมถูกรังแกฉะนั้นเรานี่อย่าเป็นคนที่รังแกคน ให้เราเป็นคนที่ถูกรังแกดีกว่าเราไปรังแกคนอื่นบรรดาชาวบ้านนบีนถูกรังแกใช่ไหมถูกรังแกมาตลอดท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านก็เป็นคนที่ถูกรังแกใช่หรือไม่ใช่เนี่ยคุณอ่านวันนี้สองสามอายาเนี่ยว่าอิสลามนี่ถูกรังแกยังไงกุรานถูกถูกถูกถูกรังแกยังไง ถูกต่อต้านถูกฟิจนาถูกนู่นถูกนี้ถูกตำหนิยังไงผู้อ่านเนี่ยสองสาย่าที่จะอ่านกันวันนี้ต่อไปฉะนั้นอดทนนะครับวันนี้มาถึงอายาที่67อายาที่ที่ผ่านมานี่ยนะครับที่ผ่านมา6 0สิหลยนะ อ, 66. อ่านนิดหนึ่งนะครับ วลาดูนชาอุลัตมัสนะ على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون คำว่านาชาในว่าเราต้องการหมายถึงอัลลอฮ์ต้องการวันนี้ก็มีอีกวลาดูนชาอุใไห แปลว่าถ้าหากเราต้องการลาเมตสลาตอววามัสนาเราจะทำให้ตาของเขานั้นบอดคำ ว, ว่าเราตอมัสนาเนี่ยเคยบอดมาแล้วเล่าให้ฟังไปเรื่องจริงทั้งหมดกลุ่มไหนที่อลัลลอฮฺส่งยิบรีลงมาตบหน้าน นึกออกไหมนบีอะไรนบีลูตอะเลฮิสซาดัลาพราะอะไรครับเพราะวันนั้นน่นบีลูตเนี่ยต้อนรับแขกที่เป็นยิบรีลท่านเองก็ไม่รู้ว่า น, นี่มยิบรีลมานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยมาในรูปร่างหน้าตาหลอ่อแล้วก็คนที่เป็นเกยทั้งหมดในชอบไหมล่ะคนเกยชอบหมดเลยครับก็ล้อมบ้านนาบีลูตเอาไว้อ เรียกส่งแขกมหาชันนา บ, บีรู้ก็เกรกกลัวอมันลุยมาในบ้านจะเหลือใช่ี่มและพภรรยานี่ร่วมกับประชาชนด้วยที่เป็นเกย์ทั้งหมดนั่นแหละพอยิบรีนแสดงตัวบอกโอ้โหสบายใจทำได้เลยละยิบรีนพูด ว, ว่าไม่พอมือฉันหรอกเป่นนั อ, อยานตที่อิสลาม ยิบรีนอ่ะถ้าอาลัอลลอฮ์งยิบรีนมานเรียบร้อยในเรื่อมอเรก้ตัวเล็กๆมาเนี่ยเรียบร้อยทุกคนนั่นแหละแต่อลัลลอ์ไม่ทาปล่อยให้อยู่ปนยานี่อร่อยไปให้มันมันกัไปกับนยานี่แหละเอาไปเชิญไปได้อะไรไปอ่ะแค่มีวางอยู่ใช่ไมปรสาทอ้าบ้านใหญ่ๆตัวโก้าคาพันล้านเนาที่ดินพันไรเอาไปเลย ก็แค่ดุนยาน่เอาไปทำอะไรเราได้ยินตลอดใช่ไหมดุนยาเนี่ยมีอยู่สามสามอย่างอังกาบูดแปลว่าอะไรมลงมุมจานาฮูบาอุตะปีกยุ่งบายุนกุรุูโลกใบนี้โลกแห่งการหลอกลวงนี่กูนอธิบายให้ชัดเลยผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดสุลอัลซัลลัมแล้วไปหลงทำไมแล้วหมดอายุทั้งหมด ของที่ไม่หมดอายุอะไรอีมานตักวายตี น, นอิยาฮซานอิคลาสสุนนะท่า น, นาบีอัลกุรอานอัลลอห์รัสูลไม่มีวันหมดอายุยิ่งอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปยิ่งเจริญด้วยพี่น้องอัลลอฮ์และอิสลามมีอัลลอฮ์สัญญาไว้นะจะเจริญและคนจะหันมารับอิสลามเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดลง แต่พี่น้องชี้อ้าบอกว่าลดแต่นบีบอกเพิ่มอัลลอฮ์บอกว่าเพิ่มตรงไหนครับอาจารย์ไหนซายดุฮูลูน افي ดีนิลลาฮิอัฟวาจานี่บอกกับนบีนะท่านจะเห็นผู้คนเนี่ยเข้าหาศาสนาของอัลลอฮ์เป็นอัฟวาจาเป็นหมู่หมู่หมูมู่หมู่ามั่นใจอัลฮัมดุลิลละ แต่คนที่อัลลอฮ์รักเนี่ยถูกทดสอบนาะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆนะถูกทดสอบไหมถูกทดสอบมุสลิมเป็นผู้ก่อการอะไรอ่าก่อการไม่ดีมุสลิมมุสลิมมุสลิมมุสลิมทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องฟังแล้วก็ยิ้มในใจว่าอ่อนมาแล้วมาแล้ววันนี้มาแล้วข้มามตุลิล ก็มาครับว่าแลนาเชือ ulla masakhnahum ada maka natihim เปี้ยวนะครับฟัมัสต์ต้าอูมูดิยูว่าแล้วน่าเชือ ulla masakhnahum ada maka natihim ฟะมัสตะต่างมุ่ยย์ ولايرجع ัมดูลิลละมาดูสับทีละคำเลาท่าานาชาอูเราประสงค์หมายถึงใครเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะละมาสักนาฮุม เราจะแปลงรูปแปลงรูปเปลี่ยนรูปหน้าตาของคุณหล่อๆนี่นะเปลี่ยนได้ไหมได้เคยเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนเป็นลิงเอาเปล่าลาบีก็พูดอีกนะไอ้ท่าน้ามาของเรานาสวยหรือไม่สวยท่ายืนแ่ารู ก, กวัว ถ่าอิอติดาลนี่มาจากชั้นฟ้าทั้งหมดเลยมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งให้ทำแบบนี้นบีก็มาสอนถ่าสูญรวมไปเท้าชิดกันตอนตอนสูญน่ะมือห่างกันศอกห่างกันทําท่ามาจากชั้นฟ้าหมดเลยอะแล้วก็นบีก็สอนอ่ะอยากเป็นหัวลาไหมล่ะตรงไหนรู้ไหมใครที่เงยก่อนก่อนใครก่อนอีมาเห็นไหม ใครที่เงยกร อ, อีมามอัลลอฮฺจะเปลี่ยนศรีรษะของเก่าให้เป็นศรีรษะอะไรลาใครอยากได้ <c oughs> นี่สอนวนะสอนให้การเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมะมุมกับเป็นอีมามนะวางตัวยังไงให้มาถูกมะมุมอะ่ะอย่าทำอย่าทานกอบอย่าทานอย่าทำ ก, ออทำอทำกอดอีมามพอเราแต่งตั้งเขาเป็นอีมามแล้วเนี่ยต้องต้องเดินเดินตามกันหมดเลยนะ่ะ ถ้าพอทำผิดเตือนได้ไหมได้เห็นมหมฉะนั้นอย่าเงยกรู้กลัวกรสุดยุดกรเองระวังสามารถเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนให้เป็นหัวลาก็ได้เห็นอย่างครับมันเห็นอย่างนี้อิสลามน้าเตือนในนมาดเลยว่ะสามารถกันเป็นมะมูวงกับผู้นําอยู่ยังไงอยู่ต้องเรสเปกให้เกียรติึ่งกันและกันน่ะ นี่คืออิสลามด้วยความอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่ของอิสลามท่านนบีอัลกุบเป็นหัวเป็นผู้นำชาวาบ้านนาบีเป็นลูกน้องเขาทาตัวยังไงไปน้อนกับนั่นนะากยืมเป็นต้นนะวะล า, าอูนะชะอุลามะซฮ์นาฮุมถ้าหากเราประสงค์แน่นอนเราก็จะแปลงรูปแปลงหน้าแปลงตาแปลงรูปของพวกเขาเหล่านั้น อาละมาการตีหิมให้อยู่กับที่ของเขาให้อยู่กับที่ไม่ให้ขยับขยื่นเห็น ไ, ไหมทำได้ไหมได้แล้วก็ทำมาแล้วด้วยลองอ่านประวัติศาสตร์แต่เวลาอธิบายยาวนี่กลัวนะเพื่อให้เล่าให้ฟังนะแต่อัลลอฮไม่ทำทำใครรู้ไหมเนี่ยทำคนมุชริก ไม่ได้ทำพุทธาต่อรอหรอกไม่ใช่ทำกับคนมุมินแต่ทำกับคนที่นับถือพระเจ้าหลายองค์สำนึกตัวได้แล้วนี่เล่าให้ฟังแต่ เ, าเลาไม่ทำแต่เล่าไม่ฟังทำได้ัหยได้โอ้เห็นอย่างครับ <laughs> เอาต่อมาครับฟามัสตะอู เมื่อเปลี่ยนร่างแล้วเปลี่ยนรูปแล้วให้อยู่กับที่แล้วนี่นะมัส ต, ต์ตออพวกเขาไม่มีความสามารถฟมัส ต, ต์ตออพวกเขาไม่มีความสามารถมุดียันมุดียันแปลว่าเดินก้าวไปข้างหน้ามุดียันเดินก้าวไปข้างหน้า ว่ล้ยาวยาวและไม่สามารถที่จะเดินถอยหลังก้าวหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นี่โทษของคนที่ไม่เอาอัลลอปฏิเสธอัลลอฮฺ AH, ดูถูกอุลัยเยียดยามสุนนะนบีนี่เล่าให้ฟังโรยยาซุนบนโลกนี้อลัลลอไม่ทำร้ายอ่ะและคนที่ไม่เอาอิสลามอยู่บนโลกนี้เนี่ย ยิ่งวางแผนทำลายอิสลามนะอลัลลอฮ์รู้เ่าได้ยินหมดอลัลลอฮ์ขนาดฟาโร่เนี่ยวางแผนจะทำลายนบีมูซาเนี่ยยังส่งคนมาอลัลมูซาหนีอลัลลอฮ์รู้หมดฉะนั้นที่แต่งตั้งให้นบีมาเนี่ยมาอยู่บนโลกดุยาเบ น, นี้มาชี้นำมนุษย์นะไม่ใช่มากราบนบีมุฮัมมัดฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องนึกเยอะ ฉันนี่อยู่ได้วันนี้อยู่ในทางนำที่เข้ามาสัสยิดได้วันนี้เพราะนาบีมาหมัดสอนนะไม่ใช่ตัวย่อสอนนะต่อยอก็เอาความรู้มาอ บ, บ, บรมหลานนะีกเรื่องหนึง่งแต่ยิ่งใหญ่ก็คือความรู้เนี่ยผ่านอลัลลอฮ์ผ่านยิบรีนมหาท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลอะอยลลับบต้อนึกตรงนั้นในทัพเซนอธิบายอย่างนี้นะครับพันฮาซันนี่บอกว่าละอัก เราจะให้พวกเขาเนี่ยนั่งอยู่ไม่สามารถที่จะเดินไปข้างหน้าสักก้าวหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอยหลังสักก้าวหนึ่งได้บางท่านอธิบายบอกว่าเราจะเปลี่ยนโฉมของเขาเปลี่ยนหน้าของเขานะครับผู้ที่กำลังทำบาปต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูอัลลอตอนทำบาปน่ะต้องนึกน่ะ ตนทำซีนากับผู้หญิงไม่ได้แต่งงานนะต้องนึกอโลเปลี่ยนสภาพให้อโลแค่ตายบนอกผู้หญิงนั่นก็เสียหน้าเท่าไหร่ล้ล่ะใช่ไหมนะแค่หน้าตายบนโรงแรมอะ่ะอยู่กับผู้หญิงทําซิน่าสองต่อสองผู้ชายตายบนเตียงมีไหมข่ามันมาอยู่เรื่อยอะ่ะสำหรับผู้สตรีสาต่อรอเสียหน้ามากครับ แต่คนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยไม่เท่าไรใช่ไหมนี่มันเป็นความสุขของฉันบนดุนยาเอาไปเลยแต่พี่น้องมุมินเนี่ยกลัวตลอดเวลาอาลัลลอ์น บ, บีสอนเราแม่แต่ผู้หญิงมองเนี่ก็ไม่กล้ามองเยอะทำไมก็สายตามีนะ่ะอลัลลอฮ์ก็จะสอบสายตามันกันเองอ่านดูคนอ่านมากดูผู้หญิงมากอ่ะมันต้องนึกเ่ะตานี่มองอะไรมากกว่า ไม่ใช่ไม่มีรางวัลนะมีรางวัลหมดนี่ถ้าอ่านกุณอ่านจะเตือนเอาตลอดเวลาใช่าหมทำดูดิเลยเอาต่อมาอีกนี่อาย่านี่ขยันยานี้นะอธิบายต่อไปอีกนะครับเอ่อทำให้เป็นหินก็ได้ลามาซักนาเนี่เปลี่ยนรูปให้เป็นเป็นก้อนหินภาษารูดรูว่าไงอินานเรเสคัดทัศจากมนุษย์ มีเนื้อมีหนังมีเลือดมีเส้นเลือดอยู่ใ น, นร่างกายเต็มไปหมดสามารถเปลี่ยนเป็นพัดทัทเป็นหินได้ด้วยอย่าลืมนะมีความสามารถนะก็สามารถให้มือพูดได้ในวันเตียมะสามารถให้เท้าพูดได้ในวันเตียมะแล้วก็ไม่มีความสามารถจะให้คนที่ทรยศต่ออัลลอฮ์คนที่กราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์คนที่ด่าอัลลอฮ์ด่ารอซูลดูถูกสุนานะนบีเนี่ย จะเปลี่ยนเป็นก้อนห็นได้ไหมได้เราต่อมาอีกยานวาัดเกมเคชกมเมตบกันนะหรือว่าทาไม่เป็นรูปร่างเป็นสัตว์ก็ได้ด้วยสามารถทำได้หมดที่เตือนนะอย่าทำโอ้โหาอ่านกรอานนึกก็รอคากลนะที่เราได้อ่านกูอ่านแล้ ว, กกลวอละนะรอดเตือนเรานะแต่นั้นยอมจำนนตนต่อล l l a h โดยสิ้นเชิง น, นะครับ ว่าเราเนเชาอุลามะซักนะฮุมอัลละมัคานหมฟมัตตัต اع ม ا ติย์ ا ่าละย์รจียถ้าเราประสมแน่นอนเราก็จะแปลงรูปของพวกเขาให้อยู่กับที่ของพวกเขาและพวกเขาไม่อาจจะไปข้างหน้าได้ แล้วก็ไม่สามารถถอยหลังกลับได้เพราะอะไรครับเพราะเองทรยศต่ออัลลอ์ทำชิริกต่ออัลลอ์ด่าอัลกุรอานด่าสุนานะนบีด่านาบีมุฮัมมัดนบีถูกมาหมดแล้วในนครมักกะใช่หรือไม่ใช่ใชอาวันที่ไปเมืองต่อเอฟถูกกี่เรื่องสามเรื่องนะถูกไล่ถูกดา่าถูกเอาหินคว้างแต่นบีให้อภยัยไอาการให้อภัยนี่แหละอัลลอ ถึงได้มาถึงพวกเราวันนี้ให้อภัยคนไม่ใช่ให้เฉพาะลูกเราเมียเราชาวบ้านที่ด่าเรามาก็ให้อภัยกับเธอคำดีๆละเอาต่อมาจากปัญญาที่68ว่ามนุ่มมินนุนักกิสหูฟิลคลกอฟลายหญ่ติลูน ว manu amirhu nu nakishhu في الخلق فلا يعقلون الحمد لله อะมาดูสับกวะนะ nu amirhu ผู้แปลว่าเขาว manu amirhu แปลว่าและผู้ใด man แปลว่าผู้ใดและผู้ใดที่เรานูนู่แปลว่าเรานานะน อัมมาลอามมิรุนะผูดด้ใดที่เราเอาลัลลอฮ์ทำให้เขามีอายุยืนยาวเนี่ยที่อลัลลอฮ์สร้างมาจะมีอายุตัวการทุกคนใช่หรือไม่ใช่บางคนปีหนึ่งตายบางคนสองปีตายบางคนยาวสุด80ดสิบปีตายใช่ไ ห, ไหมบางทีก็ร้อยปียังไม่ตายใครให้อายุนี้นี่อลัลลอฮ์พูดเองว่ามันนัมมิรูและผูดด้ใดที่อลัลลอ ทำให้เขามีอายุยืนยาวนี่สอนเรานะที่มีอายุยืนยาวนี่เองจะกินยาบำรุงแค่ไหก็เชิญไปเหอะแต่ว่าผู้ที่ให้อายุคุณยืนยาวแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยอายุยืนยาวเนี่ยมาจากฉันหมดเลยนะมันสอนไม่ให้ตะกาบุตรสอนไม่ให้เย่อหยิงไม่ให้จ้องหองให้นอบ น, อบนอบ้อมทําตนตลอด อัลลอ์อายุยืนยาวแล้วก็ บ, บางคนรวยด้วยมีไหมมีอย่าพูดว่าฉันเนี่ยรวยนะเพราะที่ฉันเพราะฉันมีที่เยอะฉันมีปัญญาดีสมองดีความสามารถของฉันดีผู้ผิดหมดเลยบางคนให้อายุยืนยาวจนมีไหมมีมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเตือนเรา啊 อย่าตะกับผ ย, ย, ย้าเออยิงอย่าชงของนาไอ้ น, อนออ้อมนมไปถ่อมตอน ต, อนตอน่อโลกว่ามันนุอไ ม, มิรูผู้ใดที่เราอัลลอท์ทำให้เขามีอายุยืนยาวนุนักกิสหูเขาว่านุนักกิสหูแปลว่าเราได้กลับทำให้เขาอ่อนแอใช่หรืไม่ใช่นี่บนดุนยานะชีวิตดุนยาเป็นแบบนี้ แข็งแรงพออายุยาวๆพอแก่ๆเป็นไงอ่อนแอไหมนี่เตือนว่าผู้ที่ทําให้อ่อนแอใครอัลลอฮฺอยากอยากอ่อนแอไห ม, ไมอยากอ่อนแอขอรู้ว่าสิอัลลอฮฺจะให้ฉันแข็งแรงต้องขอทั้งหมดท่านนาบีสอนเอาไวไ้เนี่ยเวลาเชืยรรองเท้าอากาศนบีทาไงขออัลลอฮฺจะเชืยรรองเท้าขาดาเห็นยัง นี่ชี้นำถึงขนาดนี้ท่านคนที่อ่านค น, คนเป็นมุสลิมต้องฉลาดฉลาดอ๋อนี่ต้องขอต่อร้องหมดเลยขอต่อร้องหมดเลยเอาต่อมาครับฟ mm ิลคลลกีในการสร้างอ mm ัลคลลกีแปลว่ารสร้างว mm ่ามันว่ามิรุนุนักกิสหุฟิลคลลกีผู้ใดที่เราให้เขามีอายุยืนยาวเราได้กลับเขาสู่สภาพ ออนแอร์หรือคนแก่เหมือนเด็กๆฟิลคลลกีในการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานะหุบะดาระนี่ระบบบนดุนยาใบนี้แต่ในสวรรค์ต่างกันในสวรรค์ไม่มีครับอยู่ไปอยู่ไปจะแก่แล้วตายแต่ไม่มีอยู่ในสวรรค์มีแต่หนุมน่ม ม, ม, มเรื่องดุนยาจะดุนยาอย่างเดียวแต่ยุโลกอาริเคโรเรื่องเรื่องแก่ไม่มีแล้วเรื่องไอายไม่มีแล้ว อย่ามองอย่าดมอย่ามองไม่ต้องพลาไปอย่าดมอย่ามองอย่ามองทางบนุนยานี่แหละนะครับเพพี ย, พยกับบนุนยานี่แหละแต่พอเข้าสวรรค์แล้วเรื่องเพลียไม่มีก็ทำความดีเถอะอามาณูอาเ ม, ามรุซอะ ล, ะลิฮัดอนะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮะ ทำไมพวกเขาถึงไม่ใช้ปัญญาเห็นยังทำไมไม่ใช้ปัญญาอัลลอฮฺคนอักบัรในคำว่าหนูอัมิดเนี่ขาคนที่อยากมีอายุยืนยาวนะใครรู้เปล่าเนี่ยอลัลลอฮฺเล่าในอัลกุรอานในอายะอื่นนะในสุร่าฟาติบในสุร่าบักรลอร์ด้วยเขาบอกว่าคนยาฮูดีเนี่ย กับคนมุชริกเนี่ยอยากมีอายุยืนยาวแต่คนยะฮูดีอยากมีอายุยาวกว่าคนมุชริกคนยะฮูดีนี่นะอยากมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ตั้งภารคียาวเท่าไหร่รู้ไหมยะวัดดูอาฮัดูฮุมลาอยูอัมมารุอลฟาานะอัลลอฮฺวากบัดอยากมีนี่คนยะฮูดี Chu yellow. <thirst call> น crazy crazy crazy ี่อัลลอฮฺเ <out> ล <passar> ่ากับรอเลยนะ คนที่อยากมีอายุยืนยาวเท่าไรพันปีอัลฟุสนาวันฮันเรตวันวเยออยากมีอายุยืนยาวถึงพันปีน่ยฮูดีเนี่ยอลอเล่าให้ฟังทำไมที่อยากมีอายุยา ก, กลัวว่าตายแล้วจะถูกลงโทษจากอัลลอ์เพราะเขาขวางอัลลอ์มาตลอดขวางนาบีมาตลอดฆ่านาบีอีสาจะไม่ไปน้อง อย่าพูดดีทั้งหมดแต่อาล็อกกระจาดนบีมุซาขึ้นไปข้างบนนะโดยเหตุนี้นะเลยกลัวไม่อยากมีอายุอยากมีอายุยาวๆเป็นพันปีวันนี้นก็วิ่งหานยาไปอยู่วิ่งหายากันยาโนนยานี่อยมีอายุเยืะยาวก็วิ่งหากันไปเออเอ็นวิ่งหาอิมานไม่ดีกว่าเถอ ว, วิ่งหาอิมานวิ่งหาตักวาวิ่งหายะตีนวิ่งหาอิคลาสวิ่งหาอัลกุรอาน ทของที่ท่านอบดุลร์ทำน่สง่างามตายตอนอายุสี่สิบก็ได้อิหม่ามชาฟอินตาอายุห้าสบสามอ่ะโด่งดังอ่ะคนทั้งโลกรู้จาับดาหเนี่ย น, นะไอไอิหม่ามชาฟอินเราลรออายุห้าสบาตา ย, ายแต่ผลงานไปดูสิอว่เนี่ยอายังงี้ดีกว่านะอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับเราสุดมีอีมานมีอามัลุสอัมัลซอละ สง่างามตายเมื่อไหร่ได้ไมั้ยได้ตลอดเวลาทำได้เลยเด้ดดดดดดอมาต่อมาครับอายุยืนยาวเนี่ยใครกำหนดคำตอบก็คืออ Allah ลลกำหนดนะอันอญญายัดไหนครับว่าว่มาอยู่อัมมิรุมินมุอาหมร์วะลายังยุนกัตุมอุมริฮิอิลลาฟีกิตาซุลฟาติสติผ่านมา ใครอายุยาวใครอายุสั้นถูกบันทึกไวหมดแล้วอยู่ในรักิตมาฟูบันทึกไวหมดแล้วชีวิตของคนอายุเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไร่ำดีเลยอัลลอัลลอฮบารฮลกลงว่าการมีอายุยืนยาวนี่เพื่ออะไรต้องนึกก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อทำอิบาดาต่ออัลลอ ผมมาคนละตุนยินนวลอินสซน์แลลิยาบูดูนาไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากที่ให้คนเหล่านั้นได้พักดีแสดงตนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอสุบฮานหฺวาตาดะอาฟาะยาบูดูนทำไมพวกเขาไม่ใช่ปัญญาหลงดุนยาทำไมอัลลอฮฺดุนยามีสามชื่อพูดไหมแมลงอะไรแมลงมุมปีกยุ่ง บ้านอย่างการหลอกลวงไปหลงทำไมหลงอาคิริลอดีกว่านะตัวแทนอ า, آن, น า, นาคิริลอมีกุรอานสุนานะนบีกุรอานสุนนะนบีแล้วก็อีมานตักวายะตินยะศ า, าสตร์เอกลาตอามานทิสซาเล็คนั่นตัวแทนลูกอาคิริลอมัเลยหาได้บนปัญญาไปนี่เอาต่อมากับบายาที่69 و َمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا ي َ ن ب َ غ ِ ي لَهِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ว َمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا ي َ ن ب َ غ ِ ي لَهِ อินหัวอิลลาดิกร al şey да ุ่มว่าค да ุรอานุมบีนออเปลอเปลี่ยนเรื่องพูดเปลี่ยนเรื่องเราดึงเงินให้นบีประมาดฟังพูดเรื่องอายุดีๆจะมาเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องแหละเรื่องอะไรครับต่อมาในเรื่องคำพีกุราน คนอาหรับมุสริกในนครมักกะตำหนิอุรอานอย่างไงและตำหนิท่านนาบีเป็นคนอะไรเล่าให้ฟังเลยในมียุคคำหนึ่งนะอาเชยียรนึ่อยอาเชียรแปลว่ากวีบทกลอนกวีหรือบทกลอนพี่น้องได้ยินใช่ไหมอะไรกวีเมืองไทยอยู่ในจังหวัดอะไรนะ ระยองนอ ะ, ะสุนทรู้ใช่ไหมล่ะนั่คนค่ะมองกุรานมองคุรานแบบเป็นกวีนี่อารับมุชริกในนครมักกะโอ้มฮัมหมัดนำอะไรมามาสอนมาสอนมาสอนมาสอนเนี่ย นมันไม่ต่างอะไรกับบทกวีแล้วก็นบีมันเองก็เป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นนักกวีนี่ดูถูกละเอดูถูกเลยไหมดูถูกอ่ะดูถูก น, กนบีไม่รู้จกักคําว่ารอซูลไม่รู้จกักคําว่าซุนนานนบีในยุคเราก็เหมือนกันคนที่แอนตี้ซุนานนบีมีไหมเยอะมากนะยกตัวอย่างวันที่สิบมอมมันให้บวชแต่ฉันไม่บวชฉันทําอะไร ก็วากันไปนี่แตะนิดๆนะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะอโลอักวะแต่ถ้าบวชด้วยทำขนมด้วยไม่มีปัญหาแต่อย่าทำว่านี่เป็นเป็นอโลนี่มันต้องอย่างนี้เลยไม่ต้องไม่ได้ไปขวางสุ น, น้านะพี่แองระวางแต่พวกเราตาบาตัวกันหมดเลยชาวเราอะวะมาอัลลัมนาฮุชเราแปลว่าเรามิไดสอนอัลลัมนา คือความรู้นี่นะมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะ<ม>สอนใครสอนนบีมุฮัมมัดพาะนาบีอ่านหนังสือออกได้ไม่ออกอ่านไม่ออกเขียนเป็นไหมไม่เป็นแล้วก็ความรู้ที่ผ่านนาบีเป็นวาฮหมุดเลยดีกว่านั่งเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยอีกยิบรีเอาความรู้มาให้ถึงถึงไรถึงในอกนะ่ะแล้วก็มาอ่านให้ฟังเล่าให้ฟังน่ะนันจะดีกว่ากันเข้าใจง่ายด้วย แอนนั่งในห้องเรียนบางทีก็หลับบ้างอะไรบ้างใช่ไหมตานนี้ความรู้ผ่านยิบรีนรู้เอาก่อนจะพูนอ่านจะมาเนี่ยเอาล็อกเคลียบนบนท้องฟ้าก่อนนะเคลียยังไงรู้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยใช้ตอนยนินขึ้นขึ้นบนได้วันที่เอาล็อต้องการจะแต่งตั้งมูฮัมหมัดให้เป็นนบีให้ยิบรีนพาพูนอ่าน ล, ลงมาเนี่ยเคลียบนบนท้องฟ้าหมดเลยนะ่ะทัฟฟิกไม่มีเลยเพราะจะให้ในหลวง วิ่งขึ้นแนวคุณอ่านขึ้นลงเนี่ยมาเลกาเท่านั้นเองอะ่ะสายตอนยินมีมีมีความสามารถที่จะไปไปขวางได้ไหเนี่ยเอาลราล่าให้ฟังนะฉันเคลียร์ท้องฟ้าแล้วนะเห็นยังครับเขาต้องให้เกียรติกานให้เกียรติสุนน้าอับีให้เกียรติภาษาที่ท่านอบีพูดด้วยต้องให้เกียรติหมดเลยท่านเรียนภาษาหรับเยอะเลยอัลฮัมดุลิลัย <laughs> ว่ามาอัลลัมนาฮุชียะเราไม่ได้สอนการกวีให้ใครเลยไหมให้ท่านนาบีมุฮัมมัดฮู้ฮู้มาถึงนบีมุฮัมมัดนบีเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับกวีเลยถ้ามาคนอาดับทำไมด่ามุฮัมมัดว่าเป็นนักกวีแล้วกู้นาัานนี่เป็นบทกวีดูถูกเหยียดหยามโอ้โหอย่างแรงเลยแต่อคนที่ดูถูกนะทำไมตาบ้าตัวนะอัลลอฮ์เล่นงานนะ เงินตอนตายบทดุญยานี่ยังเอปล่อยไปให้ด่าไปด่าไปด่าไปมันทึกเสียงไว้ด้วยโอ้ยอย่างนี้เป็นต้นวามายัมบารีลาหูและยัมบารีบอกว่าไม่บังควรแกเขาโมฮัมหมัดที่จะเป็นนักกวีอยู่ลายยัมบารไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นนักโดยเพราะเป็นรอซูลของอัลลอฮ สง่างามกว่าตั้งเยอะดีกว่าตั้งเยอะเพราะเป็นรอยสูลของอัลลอฮ์คนอาหรับมุสลิกาดา่นานบีเป็นหน้ากบิงให้มดาปาแต่อัลลอฮ์เนี่ยเล่าให้ฟังเป็นการตอบกลับคันผูาเองคิดผิดทั้งหมดเลิกคิดคิดตามกุราณาหันนี่อย่าไปขวางกันเลยนบีอย่าไปขวางกรรณาเลยไม่สําเร็จเองยิ่งขวางเองยิ่งพังบ้านปลาชีวิตเองลําบากนะ อ่อมายกับอธิบายเรื่องคุรานอ um ินหัวอิลลาซิฟรูห์วะุรานุโมบินอินไม่ใช่อื่นใดอินแปลว่าไม่ใช่อื่นใดนะหัวคําเพีุ้ราน ok ah ั ok ah ้นอิลลานอกจากอิลลาแปลว่านอกจากอิมามชับอธิบายว่า ถ้ามีอิลลาแล้วนี่นะหลังจาอิลลาเนะี่ยเรื่องดีหมดเลยอิมามนะอิมามชาพระเองราหีมุรลรอตายุ่งห้บาเนี่ยนะท่านอธิบายไว้หลังจากอิลลาเนี่ยต่อไปเป็นเรื่องดีหมดเลยออาดีอะไรบ้างดิกรุน่นดีได้ไม่ดีเป็นอะไรนะเป็นข้อตักเตือน คุณอาเป็นอะไรเป็นข้อตักเตือนไม่ใช่เป็นคาถาไม่ใช่เป็นอาซิมัสผูกคอใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใชดิคุอาสอนเรา ล, ลดเตือนเราคุณอ า, ออาเป็นอะไเป็นซิครุนเป็นข้อนะเป็นข้อตักเตือนเตือนเราให้ใช่ปัญญาต่อมาครับว่าคุณอาโนนแล้วก็ เป็นคำพีกุรานเชื่อกูรานเลยนะมูบีน้นมูบีนูนแต่ ว, ว่าที่ชัดแจง้งเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายฟังตําซิดนิดหน่อยเข้าใจแล้วแ ต, ต่ต้องแต่ต้องต้องผ่านตับซีกนะันอย่าอ่านเองอ่าศัยตําซิดด้วยมันจะเข้าใจง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมขอร้องว่าคำพีกุรานเนี่ยเป็นคําพีของอล朗ใช่หรือไม่ใช่ ผ่านยิบรีนมาให้ท่านนาบีใช่ไหมอัลลอฮ์เคียท้องฟ้าก่อนที่กุณอ่านจะมาใช่ไหมจนกว่าจะถึงวันกจียมะทั้าใครที่มาตําหนิกุรานมาตําหนินบีตําหนิยิบรีนทั้งหมดนี่นะเอ็งถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่อยู่บนดุนยาเนี่อัลลอฮ์เอาเอ า, เอาไปอยู่ไปก็กม่สบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะใช่ไหม <laughs> อะไรในหนังสือเล่มรูปรูปของ m e a n i เล่มที่23หน้าที่48ขบาวา้าจะรอดดุล น, นี่เป็นคำอะไรนะคำโต้ตอบของ AH. อัลลอฮนี่อายะนี้วะมาอัลลัมนาวุเชอรอนี่เป็นคำโต้ตอบของอ AH. ัลลอว์กับุอ่านนี่นะไม่ใช่เป็นบทกวี และมูฮัมหมัดไม่ใช่เป็นนักกวีแล้วก็มูฮัมหมัดไม่สามารถที่จะเป็นกวีได้หรือนักกวีได้ไม่มีพราคนมุชริกเนี่ยตํ่าเด็กคุณอานดูถูกกุรอานวันนี้ก็ยังตํ่าเด็กุรอ่านใช่หรือไม่ใช่เหยียบกุรอานนี้ไหมมีมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเหยียบกุรอานฉีกอัลกุรอานตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลมันน่า มีคนชามมาเลเซียบอกว่าขออุอาหให้ป่วยนานๆแล้วก็เหม้นด้วยคนเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าดูถูกคุณอ่านเหยียบคุณอ่านของอัลลอฮ์วันนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเหม้นคนเข้าใกล้ไม่ได้อะแล้วก็คนนี้ส่งไลน์มาให้ผมมาเก็บอกว่าขออุราต่อนละให้ป่วยอย่างนี้นาน ๆ, ๆแล้วก็ให้เหม้นนานๆ อย่างครับนานๆจะให้เห็นสักทีหนึ่งต่ส่วนใหญ่ไม่ให้เห็นบนดิญญาใบมุกนะไปเล่นงานที่ไหนนักทูนหน่อยในในในอันลำบรรักครั บ, ต, รบต่อมาครับอายาที่เท่าไต่อมาครับหกสิบเก้าสิบเก้าสิบลิยุนธิรมังกานะฮิยะ َ ي َ حق القول على الكافرين ل ي ن ِ ر من كان حيا و يحق القول على الكافرين الله أكبر سبحان الله นะในพ ا ะีร์อัลกุร กุณาเป็นอะไรครับลียุนวิรรเพื่อตักเตือนเพื่อสอนเพื่อเตือนให้คิดกุณาไม่ใช่อาริมัดนะไม่ใช่ย่อกุณาใส่ตะหลาบและผูคอนะก็ร อ, อ, อนี่ไม่ใช่นี่กุอานเป็นข้อตักเตือนเป็นบทสอนให้คิดให้ใช้ปัญญา เพราะนั้นตามปู่ญาติยาก็ไม่ดีนะพยายามชาตกูเนี่ยเดินตามกูรอาณาปู่ญาติยาก็มีส่วนบ้านเล็กๆน้อยๆให้เราเป็นมุสลิมแต่คำสอนของท่านบางสิ่งบางก็ผิดกับกูอานก็เยอะนะแล้วตอมาครับลิยุนวิโรมังกาณาเฮีย คุณอาเนี่เตือนใครเป็นข้อตักเตือนสําหรับใครมังการ์นะสำหรับผู้ที่ครยัทมีชีวิตสําหรับผู้ที่มีชีวิตสําหรับที่จะไม่จะไม่จะพูดกับสัตว์นะพูดกับใครพูกับคน <c ười> คนที่มีชีวิตกับคนที่ไม่มีชีวิตต่างกันไหมต่างกัน ตูร้องว่าคนที่มีสติปัญญากับคนที่มีสติปัญญาแล้วไม่ใช้ปัญญาเนี่ยเรียกมีชีวิตเปล่าแสบกันนะ <c oughs> มีอุลมามะบางคนพูดอย่างนี้คนที่มีชีวิตแล้วไม่ไม่อ่านอาัลกุรอานไม่หาความรู้จากอกุรอานเขาเรียกว่าเป็นศพ เป็นศพที่เดินได้สาธุชมเอ็งไม่ต่างอะไรกับศพที่เดินได้กินอาหารของ a l ล a h หายใจริษีของ Allah เอาแผ่นดินของ Allah บ้านของ Allah เมียของ Allah ลูกของ Allah นาฬิกาข้อมือผูกของ Allah รถของ Allah ทั้งหมดน่ะแต่เอ็งไม่ต่างอะไรกับศพที่เดิน นี่ไม่ใช่ชมนะตำาหน่ให้ชายปัญญาเอาลอ่ะแค่ชายปัญญาอย่างเดียวนะ่ะทำไม่ได้เลยรี <laughs> ่นซีรมังกานาฮายี่บว่าเพื่ อ, อเพื่อตัดเตือนผู้มีชีวิตผู้มีชีวิตอธิบายไหมนะจากหลายๆภาษาะอุูอังกฤษมลายูด้วย ผู้ใช้สติปัญญาผู้รับผิดชอบผู้ใขคร้ครวนปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วไม่ใขคร่ครวนแบบอะไรแต่ว่าสัตว์ก็แรงไปสบเดินได้เบาหน่อย now, อัลลอฮฺเราดุบิลละห์ยาาหนี่เป็นสัตว์ที่ไม่เห็นยังครับถึงเลาบอกอะไรว่าฉันจะเปลี่ยนคุณนาย <c oughs> เป็นสัตว์ก็ได้ ให้คนอานมาทำไมไม่ใช่บรรยาให้คนมาหลอกอยู่ดีให้ย ahu ดีหลอกทาไมให้ย ahu ดีหลอกอยู่ทั้วันเนี่ยอันนนเอาเงินเอาชื่อเสียงเอาตําแหน่งเอ า, น, น, เอาเนู่นเอานี่ไม่กี่รายการบนบรรยาไปนี่เอาคนที่หลงตําแหน่งฟาโรผ่านก็ไม่ผ่านกอรูหลงเงินผ่านก็ไม่ผ่านจะเป็นหลงทําไมอะ ไซนาบีลามีอะไรรองเท้าขาดขา ด, ดนาบีขึ้นในรถยิบรีนพาไปสวรรค์พอเข้าไปในสวรรค์เจอไซนาบีลาเดินอยู่ข้างหน้าไอ้อยังครับถามว่ามีมีวางกี่หลังอ่ะไม่มีมีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีคาราฮาร์ดไหมมีครอบครัวใหญ่ไหม เป็นคนผิวดำเป็นชาติมาก่อนไซนาอับูบากาซื้อมาแล้วก็ปล่อยเป็นเป็นไทยนบีแต่งตั้งให้ทําอาจารเรียกอาจารย์ไปสวรรค์มีบ้านเล็กๆ เ, เป็นเพิ่องหลังหนึ่งที่นบีต่อให้ไซนาบีท่านอยู่อบูเคยร อ, อยู่หลายคนตรงนั้นไปหมดไปสวรรค์หมดเลยจะฟาโรไปไหนอ่ะเมื่าคิดนะ เอ็งหลงดุนยาหลงธรรมะหลงวะหลมเงินพังอ่ะลงชื่อเสียงก็พังหลงตังแหนมก็พังแต่ถ้านอบน้อมถามตนเหมือนท่านนาบีสังหางาไหมวามตนต่ออัลลอฮ์สุ้หยุดต่ออัลลอ์อ่านกุนอ่านของอัลลอ์เดินตามสุนานะนบีที่อัลลอฮ์ส่งมาสงางาอัลลอฮ์ ่อมาครับว่าให้ดกดเขอลุนให้กอดเดีแปลว่าความจริงอัลกาวูแต่ว่าพิสูนหรือคำพูดอะลกาฟิริน คัดค้านคนกาเฟต์กุนอ่านนี่แหละจะไปคัดค้านคนกาเฟตเองในวันเสียมะหรือบนดุงยานี้ก็ได้คนคนกาเฟตที่ทําอะไรผิดผิดอยู่เนี่ยนะกุนอ่านค้านหมดเลยเอาเองบอกกุนอ่านเป็นอะไรนะเป็นกวีเอาหรอกค้านยังค้านแล้วบอกไม่ใช่น บ, บีมุฮัมมัดเป็นคนบ้าใช่ัหมไม่ใช่มุฮัมมัดเป็นนักกวีใช่ไหมไม่ใช่ ข้านข่านข่นขานข่า น, านาหมัดต้องการชื่อเสียงไม่ใช่คําสอนของนบีบะหมัดสร้างความแตกแยกหรือไม่ใช่ในสุรคัตติที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าให้นั่งคิดคนเดียวหรือสองคนว่าของที่นบีนำมามาสอนเนี่ยทาให้แตกแยกจริงหรือใช่เรามา ด, าด่ากันเองต่างหากแล้ววันเนี้ย เองยึดสุนนะยึดกุนอานเองไม่ใช่พวกฉันเรามาเรามาคิดเองอ่ะแต่กุนอานเตือนบอกว่าของที่นบีนํมามาสอนเนี่ยทาให้แตกแยกสังคมแตกแยกเกิดอยู่ไม่ใช่เป็นคนบ้ารือไม่ใช่ต่อการชื่อเสียงตําแหน่งหร่อไม่ใช่ขณะมีคนเสนอเอาเงินให้เอาผู้หญิงให้นบีเอาไหมไม่เอา อัลลอฮฺอักบาร์ฉันรู้ว่าคุณอานพ อ, อย่างสอบสิบแล้วพรนะพอแล้วเราจะทำดีๆวาวยคิดก่อนหรือเปล่กาก็รู้ว่าเาจะเป็นหลักฐานยืนยนันบรรดาผู้ที่ปฏิเสธทั้งหลายเป็นหลักฐานยืนยันข้านคนกาเฟตทั้งหมดอัลลอฮนี่เรานี่ยังปฏิบัติศูนะหนยังไม่ครบนะใช่หรือไม่ใช่ ยังไม่ครบให้อาภัยคนทํำยังเวลาโมโหเนี่ยให้ควบคุมอารมณ์ทํำยังหรือเลือกทําเป็นบางคนติดต่อกับเครือญาติแล้วก็ติดต่อกับคนที่ดา่าเราเราก็ไม่ยุ่งกับมันใช่มหมยังทําไม่ครบเลยก็ขอมาต่อร อ, อ, อนให้ทุกคนทำความดีให้ครบนะเข้าจะมีความสามารถจะทำได้ครั ต่อมาอายَที่เจ็ดสิบเอ็ดอาวะดามยวอุอันนาะาะละกนะฮุมิมมะมิลัดไอบินาอันงามาฟะฮุมลามัลิกู อว่าลัมยาََูอั ا เราขลังนั้นอันเรา م ลังนั้นอันเราขลังนั้นอันาขลัอันรนั้อลังนาขลังนั้าอาขลลอันาอันอาลาลลัลลออััรอาลัเรา พวกเขามิได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้ใช้ปัญญาดอกหรือยาเราเนี่ยแปลว่าไม่ได้ใช้ปัญญาหรือในกุราณคำว่าไม่ได้ใช้ปัญญานี่ประมาณหลายอายาด้วยกันอายานีตนการจะบอกว่าทำไมไม่ใช้ปัญญาคิดดู ใช้สมองบ้างอ อ, อันนาคาราปนานหะุมเราได้สร้างเพื่อพวกเขาเหล่านั้นอร่อน เ, เล่าให้ฟังนะชาติปัญญาด้วยนะเราเนี่ยได้สร้างเพื่อเขาเหล่านั้นสร้างอะไรบ้างนะครับมิมมาอามิลัสไอดีนาะ ที่มือของเราได้ทําขึ้นอย่าล้อเล่าเองนะฐานนี่ได้ทําด้วยมือของเราเองทําอะไรอันอ้ามาแปล ว, ว่าพาสุสัตพาสุสัตพาสุสัตอธิบายอย่างนี้หนึ่งอูตสร้างสร้างอูตมาอันอ้ามาแปลว่าสัตว์สร้าง วัวสร้างควายสร้างแพะสร้างแกะบทบุญญาไปนี่เอาลองเล่าให้ฟังให้ชาติบัญญาด้วยนะการสร้างมานานะแพะแกะวัวควายอูดกีรายการเนี่ยเ <c ười> ยอนะน่ะอูดอวัวแพะแกะควายห้าหรายการฉันสร้างมานะมนุษย์อย่าลืมอะ่ะ นี่เป็นการเตือนคนฮินดูในอินเดียด้วยพราะคนฮินดูในอินเดียเนี่ยเขากาบอะไร <c oughs> <c oughs> รู้ไหมกาบอะไรกาบัวเนี่ยล่ดเตือนน่ะเตือน <c oughs> เอ็นกาบัวทาไมอ่ะและ้วก็ยังมีแม่น้ำอีกแ ม, ม, ม, ม, ม่น้ําอะไรแม่น้ำคงคากาบแม่น้ำคงคาอีกอ่ะ แล้พราวันนี้กักลาบทุกอย่างเลยโรงเรืออะไรที่มีเลขึข้นกลาบหมดเลยอ่ะตมนมดต้นไม้อ่ผ้าสีแดงสีเขียวไปห่มกันไปพันกันดูตัวเลขกัน อ, กอ้โห อ, อาบัตแองไม่ะต่างอะไรกับศพเดินได้ใช่ ไ, ไหมไม่ใช่เตือนเตือนสติเตือนสติเตือนตเตือนเตือ น, เ อ, นเอาวาตรนำยาวเรา พวกเขาไม่ได้คิดดูบั้งหรืออันนาลักนาหุมเราได้สร้างเพื่อพวกเขามิมมาอามิลาสไอดีนาที่มือของเราได้ทำขึ้นซึ่งอะไรอันอามาปัสสัสอูทัวควายแพะแกะและสัตว์เหล่านี้นะอัลลอ์ให้อะไรรึมั้ย วาฮุมลามาลิกูแล้พวกเขามาทั้งสัตว์ทั้งหมดเนี่นะที่เอ่ยชื่อนะมาลิกแปลว่าท่านเป็นเจ้าของให้มนุษย์เนี่ยเป็นเจ้าของใช่หรือไม่ใช่เรามีควายเราเป็นเจ้าของควายใช่ไหมอ่ะทำไมมันเชื่องอะ่ะก็อลัลลอสั่ง ไม่มีสัตว์ตัวไหนทรยศต่อ อ, อ, อัลลอฮ์เลยใช่หรือไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ปัญญาแพะแกะวัวควายไม่เคยเดินชนเราเลยเราเป็นเจ้าของชั่วคราวแล้วก็สัตว์อีกบางชนิดเนี่ยเราเป็นเจ้าของได้ไหมอ่ะเอาสัตว์จะอยู่ในป่าเนี่ยเสือเป็นเจ้าของได้ไหมโอโลัลลอฮ์อักุบะสิงโตเป็นเจ้าของได้ไหมอ่ะ สัตว์คิวไม่บาไม่รู้ว่ากิ่ล้านชนิดน่ะเก็นจะของได้บางไม่ได้ไม่ให้เฉพาะเล็กๆ น, น้อยๆทำไมไม่ใช่ปัญญาให้วัวมาดัานไปกราบวัวนี่ตําเน่งชาวินดูในอินเดียพ2 0 0กว่าล้านคนตรงนั้นทีดทำดีแล้วเรามีปลอดภัยอ่ะทำดีแล้ว อาแล้วมารู้อันนันนมมยย้นข้อลนาหุ่นาาิ่มงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานงานแาะงานงานงาเป็นงานงานงานงานงานงานงานงานงานานง็ น, ววาานางานงานงานงานดานงานงานงานงนงานงนงานงานงานน ให้หมดลก็นเนื้ออร่อยด้วยนะแล้วก็สอนให้นบีมาสอนสอนอย่างนี้จะกินแพะแกะอัวควายเนี่ยบางคนเนี่ยนะผมมีเมื่อก่อนเนี่ยลาวมาอยู่ย่นี่เยอะฆ่าสัตว์ไม่เป็นนะ่ะทุกหัวจะทำให้สัตว์ตายนะ่ะทำไม่เป็นนะ่ะ เราเองดูเมนการท่านนบีไม่มาสอนกระทําให้สัตว์ตายไม่เป็นเหมือนกันนะทุกหัวนับอัลลอฮ์ส่งนบีมามาสอนมีดรับค ม, คมคมเชื่อตรงไหนอธิบายไปหมดเลยให้เลือดออกเยอะๆยิ่งเลือดออกมากเท่าไรเนื้อยิ่งหวาน วิญญาณเราอยู่ในร่างเราเนี่ยนะถ้าไปกินอาหารหรือสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อชนะนะวิญญาณมันทรมานที่ผมคุยกับหมอหคนหนึ่งอาจารย์รู้เป่าผมได้เรียนหมอมานางก็อธิบายว่าวิญญาณของคนเนี่ยถ้าไปกินสัตว์ที่ฮาโลนที่ไม่ได้กล่าวนาำอัดร้อนเนี่ยทรมานวิญญาณมาทรมานเฮยังอางารย์อันทิ่สุดเลย แค่บิสมิลลาอยังเดียวน่ยปลอดภัยหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์ตอนจะเชื่อดศว่าไงั้นบิสมิลลาอัลลอฮฺอักบัตให้เลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลยเยอะๆคนพูดกะอธิบาดอเอ็กมุสลิมเนี่ยทำลายสัตว์ทรมานสัตว์แต่มีมีอยู่คนนึงฝรังเชื่ออะไรอะบริเกตอะไรเนี่นะเอ็นะเชื่อสัตว์รูละกีลานตัว ทรมานสัตว์วันละกินล้านตัวแต่มุสลิมเขาเชื่อดปีละครั้งอเชือดปีละครั้งนี่ทำไมได้กินด้วยนะบริจาคให้ชาว บ, บ้านเขกินเอกเงียบกันหมดเลยอะเพราะคนรวยพูดท่านาบีเาพูดโอ้โหด่าเลยคน mm hmm. ด, ด่าไปดิไม่ว่าอะไรเลยเห็น <c oughs> <c oughs> อย่างอิสลามเนี่ยเขามาทำการทางอิสลามโผล่ขึ้นแต่เราว่าฉันองการทอิสลามเนี่ยโผล่ขึ้น และยุธิรวรอาจะดีนตุลิอิสลามจะชนะประเพณีลัทธินิกายต่างๆที่บุรุษสร้างขึ้นมาเนี่ยเชิญตามสบายแต่อิสลามจะย ah ุธิรวรอาจะดีในกุลว่าเราก็ได้เห็นการพิรุณตกลงว่าอยายะนี้ตอนการจะบอกว่าใครกาบวัวเลิกได้แล้วมานำบัวซันาามาอยู่นเดียก็สอนมันอยู่แต่เราเราไม่ต้องสอนเราสอ น, สอ น, สอนให้ข้อคิดอย่างเดียวนะครับเอาตกลงว่า ในคุรานอธิบายอย่างนี้อวลามยาเรามีอยู่หลายอาย่งเคยสังเกตไหมริสตีอัลลอฮ์เนี่ยให้กับใครก็ได้ให้ใครรวยก็ได้จนก็ได้ต้องรวยวายทำไมเป็นองที่หนึ่นะเรื่องที่สองอลัลลอฮ์จารดาเนี่ยเคยสังเกตไหมเงาเงาอ่าเงาเนี่ยมันทอดเนี่ยตะวันขึ้นด้านนี้ทอดรปดา น, นี้พอตอนเย็นทอดด้านนี้เคยชาดปัญญาไหมเรื่องที่สาม เคยเห็นนกไหมที่บินอยู่ในอาการธรรมดาของหนักเนี่ยขึ้นสูงๆมันต้องลนหมดใช่ไหมลนะ่ะแต่นกทะไมมันบินได้แล้วก็มันหุบได้แต่มันไม่ตกลงมาเคยชาติปัญญาไหมอีกเรื่องหนึ่งในนครมักกะชาวบ้านริมๆนั่นถูกสงครามอิรักถูกอเมริกาขยี้เป็นงายสรดามตายสยกเว้นมักกะ ทำไมไม่ใช่ปัญญาบ้างอาวลาดิยาเราอันจะเอานา حرم ันอานไม่นาวยนายุตข์ขับคนน่าลมินฮาอลิฮิมสุรอังกบูดรอบๆมักกะเนี่ยคนถูกจับคนนอนถูกฆ่าสาราพัดแต่มักกะอัลลอฮ์คุมครองทำไมไม่ใช่ปัญญาดูอิสลามเด่นขนาดไหนอิสลามดีขนาดไหนทำยังไงละ คนที่อิมานตอเลาะอันเราคุ้มครองหมดเลยแต่พิตนาดมีัหยมีแค่แสบแสบหูเท่านั้นแหละถ้าตาก็จะตายอะไรตายชะฮีนั่งกับหมดเวลาสุพรรณอัตตอลาะุ้มมาวดิขัมดิกลัวะแลลิลฮอิลอัตอัสตักุลกวาตูบิไลซลอละัลลัมมัมุฮัมมัดอะลัยฮิวะัลิอัลฮ์อุลฮัมดุลิลลาฮิรับบิอัลมิน